สังสางบาลมีมากกับเป็นยังสั่นคือกันนั่นน่ะคนกับสางบารามีมากจนเต็มรอบสัก่อนคนยังได้ ม, มาตัดทะลุเป็นพระพุทธเจ้าสอนก่อเข้าขนกวอเข้านี่ออกจากกัตตาสงสารอันนี้กัะตาสมายถึงวนเวียนเออมุมี ท, ที่ทั้งสิสิ้นสุดเออนั่นน่ะคนพยายามมาลือมาขนให้เขาออกจากกัตตตัวนี้เออความเวียนว่ายตายเกิดนี่ละ อภิญ ย, ยาม่อมพินิจพิจารณาบาตรนะคะเขาอ่อมพินิจพิจารณาใจขาเขาเข้ากับเกิดนิดพิทาละบันใต้สิ้นแล่านั้นละบานเนี้ยบ่ปลาหลงเออปลอป่อยว่างไปตามสภาพวะความเป็นจริงเรากับเกิดนิดพิธาความเบื่อหน่ายเออเมื่อสิ้นแล้วนั้นมันจะมาเกิดขึ้นที่ใจเข้าก็บว่าสามารถรับได้นั่นน่ะเพราะเขารู้อยู่เพราะมาย่อมรับเออเพรารับอันเจคุณงามความดีมันกับใจเข้าก็บเบิกบานละบานเป็นสั้น การต่อพืชปฏิบัติมันได้ทุกคนนั่นแหละนั่นแหะแล้วมานในนั่นเน่ะก่อนพระพุทธเจ้าเป็นสิจิตเป็นสิวพ้นจากกิเลสสวะพวกอาสะวะขัตยานทั้งหลายนั่นเฉพาะพันธิพิจารณาสิ่งเหล่านี้ละ่ะสิ่งที่มินมีอยู่เพิ่มบริพิจารณาสิ่งอืน่นที่พันกล่าวไว้แปดเมือสี่พันธรรมะขันนั่นน่ะเพราะพันกล่าวตามจริตนิสัยของเวเนายาัสัต ของแต่ละบุคคลก็บ่คือกันบางคนกําหนดพิจารณาความตายจิตมันก็โสก็บงบก็ได้บางคนพิจารณาเออกําหนดทำบทใดบทหนึ่งจะเป็นพุทโธหรือว่าทำโม่หรือว่าสังโ้หรือว่าเอ่อความใบมรนังมรนังก็แล้วแต่จิตใจมันสงบนด่เข้าก็เอาทมบทนั้นล่ะมากำหนดนั่นพีนพิจารณา แต่ว่าเฮ้าเคยกำหนดทาบทดใดเฮ้าบดนั่นมาเป็นเป็นเครื่องกํากับใจของเฮ้าย่าไปย่ายเออมันไปย่ายเปลี่ยนบอ่อเศร้าใจมันก็รอนเล่เออเป็นลูกพมาปาไหมเหมือนกับจับปลาสองมือเลยบอ่อใดยั่งมันบอ่อแนนเ อ, ออย่างก้นเฮ้าไปถอนยาฆ้าองสีกันถ้าจับบ่แนนไปดึงขึ้นมันก็ บ, บาดมืออันนี้ก็คือกันเออ กาเท่ากรรให้มันแน่นแน่นเอาอันใดก็เอาให้มันแน่นเอาให้มันให้มันได้มันก็สามารถที่ทำให้จิตห่อห่าสงบได้เออเป็นสมาธิได้อนนี่ละ mm hmm. เมื่อจิตจิตเป็นสมาธิแล้วเราก็กำหนดแจ๊กแยะพินิจพิจารณาเดินวิปัสสนาเออให้ไม่เห็นตามสภาวะความเป็นจริงคำว่าสมถะและวิปัสสนามันก็ยุ่น้ำกันหะ มันเกิดนํากันอยู่นํากันของที่นี่มันมีอยู่อยู่ที่ใจนี่เออเ่อใดอยู่ที่อื่นเออแต่เวลานี่ขณะนี่มันเกิดเ่อใดมันเป็นบ่อใดเพราะมีสิ่งอื่นมามามาบังไว้อยู่มาคุมหุ้มมาโยมาคุมไว้ไม่ให้มันเห็นไม่ให้มันหูมานในเรา้งพยายามเป็นคนที่มั่งคั่งเพราะว่าตระบะทำพยายามแพร่เผาแยกแ้นั่นละเออเป็นสมมุิเป็นอัน อันทีว้านี่เป็นคําสมมุตินี่เออพอเข้าติดสมมุติแล้วก็เอาสมมติเนี่ยมาใส่กันตะกอนสมมติบัญยัดมันวาน่ะเออมาเนี่แต่จะทำแท้แล้วบ่มีสมมุติบ่มีเพศบ่มีวัยเออบ่มีชายบ่มีหญิงมันเป็นเรื่องสั้นทําแท้น่ะมันมีอยู่ทุกคนนั่นแหะแต่ว่าเราควสามารถเห็นได้รู้ได้เพราะการกระทําของเขามันยังบ่แก่กล้ามันยังความขยันของยังของเขายังหน่อยอยู่ เออมันสีให้ซําได้เอาก็บพยายามเบิ้งเบิ้งความขยันมันเที่ยนว่องเฮาการฝ่าพื่อปฏิบัติเออสาคัญอยู่สี่ติการสติสมบูรณ์เออสติเพียบพร้อมก็ไม้หนึ่งความระลึกได้หันละความหูมันสิ่งความชัวเกิดขึ้นห้ากของหเออความดีเกิดเกิดขึ้นห้องของ ห, อ ม, องหมันเกิดขึ้นที่สายจะเกิดที่ใจหันละเออ คนเขาท่านคนอุบายของเขาเขาก็สามารถประพฤติปฏิบัติได้มันเหตุใดทุกคนนั่นแหะเพราะตั้งคนตั้งมีลมหายใจอยู่ถ้าหมดลมหายใจละ่ะก็ควสามารถมากประพฤติปฏิบัติได้เหมือนกับขอนไม่เออนไม่คนเขาตายแล้วเหมือนกับถอนไม่แต่ความตายเขาน่อมมาทิตพินิจปิจารณาแล้วมันก็ตายทุกปีญาบดันละเ อ, อทุกเวลาทุกวินาที แต่ว่าเฮาบอหูมันว่ามันฝ่ายตายแบบตายแบบปกปิดบม่มันตายแบบเปิดเผยกันตายแบบเปิดเผยคือยังเขาตายอยู่คือเมื่อนี่มั้งทีละอยินเสียงทอล์นี่การแฉก็เออตายแล้วน้อเพราะว่าเนี่ยเขาเห็นแค่แค่นั้นเห็นแต่นอกๆนี่เอาบอมบ อ, บอนอมเขามาบอนอมอามาฟินิทพิจารณนาบานี่ก้อนเขาจะตายบันเขาต้องหาคุณงามความดีไอ้เจ๊ใจสกอนหาบุญกุศลไอ้เจ๊ใจสกอน หาใจมันเบิกบานหาใจมันล่าเริงหายใจมันเบิกบานใจมันล่าเรื่องแล้วสุกติเป็นทีหวังถ้าเมื่อเขายังมีเชื่อยังมีแนวมีแน่วมันจะมาเกิดอยู่เท่ากับว่าเท่าก็มาเกิดในในในทิณที่ดีในในไปคูนสมารถทีท่จะก็ต่อไปก็ได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติต่อไปอีกนั่นเป็นเรื่องสันส้นการประพฤติปฏิบั ต, ต, ต, ติมันเข้าตั้งใจทํา คันหา้าวบ่อตังใจทำหมอกคว่ำตายขอมาถึงใจ ห, าห้าของหอเหียวใจห้าวของคุณมั่วทุกกติเป็นที่หวังระบาดมันจะแล้วแต่มันสิไปแล้วอันห้าวบ่ได้สร้างไหวบว่อได้ทำไหว้สร้างแต่ก้มซัวเออใจมันกูกคุณมั่วเสวม้อเป็นสัน้นประกับมันมีเพิ่นก้าไวไหวนิรันร์ผกเกรดอสุฉรกายสัตว์นิรสารไประบาด น, นั่นแหละอบายยมุกอบายยภูมิภูมิของ อันนัของชัดเดรัชานพิมพุ่มของเปรของผีเท่ากับบ่อตัองการเออเทาต่อการพุ่งงามความดีถ้าเท่าตั้งการพุ่งงามความดีเทากา็มีความอดกันน้นพยัญชนเพี้ยนระเพริญปฏิบัติเออเวลานั่นเวลานี้บ้างเออเพราะเท่ า, านั่นเทาเกิดเทาก็มีเวลาเกิดเออเวลาเท่าสิสังก้อนความความดีมันมาอ้างว่ามันมีเวลานั่นแหะ คนมายาของกิเลสเออการเทาท่านมั่นเทาก็สามารถแยกแยะกี่ค่ายออกได้เทาก็มีใช้ชนะก่อใจก็เข้าอันละเออเพราะเก็หมายถึงว่าเขาา้าใช้ชนะผ่าใช้สนะก่อใจก็เข้าอันละเพรได้ใช้สนะผู้อือ่นหรอกการเทาชนะตนเ น, น, นีเราเขาก็บสาบายอยู่ก็บสาบายไปก็บสาบา ย, ยาเป็ น, นเต็มที่แล้วต่อไปกำหนดชนิดพิจารณาจงซุมกวนแจวเวลาต่างคนต่างกำหนดอย่าไปกำหนดเวลา กำหนดดูใจจะคล้องเลยนะเออที่เป็นกำหนดว่าแต่จะออกจะกลับไปที่พักเปลาไปแล้วมันก็บวบไปดอกมันมักไปคุยมักไปทะเลถลายมันเป็นเรืงสั่นนั่นแหละเรื่องของกิเลนเป็นเรืงสั้นมันบ่ชอบเออมันบ่ชอบมานนั่งทนทุกข์ทรมานทังสี่เสียผ้าเดินิงกลมมันก็บวเอามันก็อายเสียนั่นมันเป็นเรงสั้นเออการเผชิญปฏิบัติมัน่ให้มีความละอายดอก สั่งคุณงามความดีอย่าไปอายอายการประพฤติปฏิบัติอายสั่งคุณงามความดีเมื่อคนมายากของเกลียดไปยังสัน้นมันแนะ น, นําสอนเข้าเสี่ยมสอนเข้าไปยังสัน้นถ้าเข้ามีสติมีเบรกถามอลอเราก็สามารถเบรกหาว่าม า, ม า, มาถามมันได้จริงเรานั่นเกิดขึ้นพเนรพย า, ายามสั่งสติสั่งปัญญาให้มันหมัมกๆ ม, มันจะงิดท่านคนอุบายของเขาเออ เอาสีไปล่อ ว, ว่าแต่นุ่นให้เมื่ออายุแกสักคนยังสีมาประพฤติปฏิบัติมันก็ บ, บ่อได้นั่งก็ บ, บ่อได้ลุกอโอยนั่งก็โอยเออมันก็นเดินเหัวนางก็ บ, บ่อได้สะดวกนั่นแหะเป็นเรงสัน้นเมื่อเราจะมาสางังคุนงามข้อมเดีจะมาประพฤติปฏิบัติจะมานั่งเดินยังกลบวางหน้ากับบ่อได้แล้วเพราะว่ามันกําลังกับบ่ให้แล้วเด้นั่นจริงเหล่านี่เป็นของเของอาอาศัยเขาอยู่มันก็เมด่ได้กาลังว่งซ่าเนั่นนะ เออความแจมันมีความชรามันมีเออเมื่อมันมีความเกิดซึ่งละนั้นมันก็มีอยู่ภายในพยายามจะตัดความเกิดว่าให้มันเกิดขึ้นได้อย่างพระพุทธเจ้าหรือพระอริยสาวกนะมันตัดออกออกจากใจหันละบด้ออกจากอันอื่นอืมการพระพุทธเจ้ามันตัดสรู้มันกนตน็ตัดสรู้ที่ใจหันละมันบริตัดสรู้อยากอังอื่นเออบริเป็นเลยเพราะเพิืนเลือนอากาศขึ้นไปสี่ ผลฝ่าอากาศดอกเออมันกิดเบิงใจของเพนนันละ่ะมันเบิงกำหนดแหนะเจียบขี่คายแล้วมันเกิ ด, กดกก เ, เกิดพิพิธาความเมื่อนยเออนั่นละ่ะบนจึงว่าการตัดลู่ลู่ยุทิใจของเจ้าของลูกคนมาย่าของกีเลนนั่นละ่ะต่อไปเฮอร์กำหนดพินิจพิจารณาแหนแะเจี๊ยบขี่ค่ายต่างคนต่างดูต่างคนต่างเบิงเออ อย่าไปน่วงเวลาไอ้คิดมันเป็นสมาธิเมื่อคิดมันเบิกบานคิดมันสงบพอเอาตัว น, นั่นละเอออย่าไปพวาวงในกลางกายสั้งขากลางกายทั้งขาเ น, นี่มันเป็นไ อ, อ, อ้ขันธม่านเออขันตัวนี้เรียกว่าขันธมานม่านคือบ่วงเออเวลานั่งมันปวเจ็บขันปวดนี่ก็เป็นเรื่องของธรรมดาของเขาก็ไรเรื่องของเขา เดี๋ยวเขาออกตากำหนดทีนิจจิจะละนาต่างหากอันกล่างกายสังๆในขันธา ม, มานนั่นมันเป็นเทียงมือเคทียงใส่เทียงสั่งคนงามก็มีเออแต่เขากต้องรักษาเขาเมื่อเขาเอารักษาเขาแล้วเขาต้องมารักษาเขาอีกอ น, นั้นเป็นสัน่นการรักษาชิ้นก็คือกันเขารักษาชิ้นเบื้องต้นเขาจะรักษาชิ้นละเออเมื่อเรารักษาได้บริบูรณ์สมบูรณ์จะกับชินก็มารักษาเขา เออไปอยู่สี่กับมี่่ความสุขเออได้ได้ได้รับแต่ความเบิกบานเป็นสั้นาวรักษาสินใดข่ารักษาสินบ่ใดไปอยู่สี่กับ่มีความสุขเออไปนั่งอยู่ใจกับบ่มีความสุขไปนอนอยูุ่ติเง้ยมันกับบ่มีความสุขดอกเออไปนอนอยู่ใจกับ่มีความสุขเพราะยังเพราะสินบ่ดีสมาธิบ่มี่ปัญญาบ่เกิดเป็นเรื่องสั้นอ๋อต่อไปกำหนด เกดตรงกวาญแจเวลาจิงแยกแยกกันออกไปเวลาออกเวลาเลิกเวลาอาพยายามนี่ยมันเสียงมันดังรบกขวนผู้อื่นเป็นบาปเป็นกรรมออกพยายามนยจิงเอลี่มเกิดขึ้นเมื่อเมื่อผู้อื่นออกเขานังยุเขากระลำบ้านคือกันเออ พยายามมันมีเสียงหน่อยที่สุดเออมันเหตุใ ด, ดทำใดคือส ต, ติก็เข้ากันละ่ะการเข้าบอดมืลึงปึงฟังไปมันก็บอดดังเออแต่ละ่ะการมาฝึปฏิบัติพยายามสงก็แต่งย่มไปเรื่อยๆละ่ะเออบ่คือแต่ก่อนก่อนเข้าไปบ่คือกันนั้นปูดวหวจากับบ่คือเกาัารหอกพยายามดัดพยายามพีนิดปีจรณา ก้นกับเ็นไปได้เองเราซิ่งเ่านี่พยายามละเอียดเข่าละเอียดเข่าพอทํา้ำเรานี่มันต้องละเอียดเข่าละเอียดเข่าต้นจนไปถึงตลอมเข่าไปนลบเข่าจนถึงอนุใสเออมันยุใสบานอวิชามันยุใสลาลกับไฟลายกับไฟเหมือนกับเป็นยกอุปมาปัจมัเหมือนกับเอาจะตัดเผาวันเออมัเผาวันมันคุ้มจนไม่ยู่คุ้มลังค่าเฮียนอยู่หนิเอาจะไปคืน่ไปรื้อลงทุนมันกรยา เพิ่นกิดกำหนดพินิจพิจารณาไหลลงมาไหลลงมาเป็นไปเห็นค้นมัน่นบ่ได้ยากยัง้งบานเห็นค้นมาแล้วนี่เล่มเดียวนี่ยหน่อยก็ได้เธอ อ, อันนี้ก็คือใจอัปนย่ญญากำหนดพินิจพิจารณาสาวขอไปสาวขอมาสาวขอไม่ตลอดขอมาตล่อดขอม า, า, า, ม, า, า, า, ม, ามันเกิมาเห็นอยู่ในใจนละอวิชาเออเพราะเพร่อวิชามันยังบ่เกิดเอออวิชามันยังหงุ่มพ่ออยู่ตาบา น, นเนี่ก็ทีแยก พยายามแยกพยายามดันบางครั้งมันกำนัดพอไปกำนัดพอไปมันมันเหมือนใจเองเหมือนจิตมันเฉลระเบิดอย่างเดีวเออแต่จะสร้างหัวมันมันบ่ตายดอกเออเออมันระเบิดให้มันระเบิดไปมันระเบิดแหงดีพอจะแยกแยกพอให้มีสติมันบ่เป็นบ้าดอกเออถ้าเขามีสติอยู่บ่เป็นบาอันนฮู้จักว่าเขาจะจิเป็นบ้าอยู่บ่เป็น ตอนห้าโมงเจ้าว่าห้าเป็นบานี่ยละเออเอาไปรักษาได้กับว่าใดนั่นน่ะมันเป็นเัืงสั้นเป็ น, น, นเรืนน่งจรงว่าบาทุกคนบมบาทุกคนดีทุกคนบมดีทุกคนเออแม่ทบประทเจ้าก็า เ, าาเขายังนิ่มท่าเออนั่นเป็นเรื่องสัน้นอย่าไปติดตกต้านจริงเหล่านี่ให้กำหนดเบิงกล่องตอดเจ้าว่านให้มันระเบิดออกเบื้งดูเออแยกให้มันแยกออกจะประหยัดมันให้มันเห็นตายต่อหนา้าต่อตาเออ พระพุทธเจ้าก็ตามเพราะสาวกก็ตามหรือผูบาอาจารย์ก็ตามเพื่อนกับเบื้องกายอันนี้แหละอามาพินิจพิจารณาจนเห็นตามสภาวะาความเป็นจริงบงครั้ ง, งมันมาตายต้อนาเพื่อนก็กําหนดพินิจพิจารณาเพิ่มอนุาตเด้กิิตยานยั่งเออถึงข้าวมันก็ต้องตายแน่นอนแหละพ้นเท่าพ่อเกิดถึงมาต้องตายเอออันนั่นมันเป็นกลมายาของกิเลสซือมันเป็นกลหลอกลวง เออถ้าเฮาถอนคิดเบิง่งมันบอบอไปใส้มันก็นั่งอยู่หินหลักเออเออใจนี่มันแห้งยานมัญญามันตายเออต้มหายใจเด่กกั ม, มีอยู่เออมันเป็นเรงสัน่นะเหนาเฮามีปัญญาทีนิ่ปิจารณาวัสดุสถานบันสาานนองตัวอักษรปิปัญญาของเฮาแหละของแต่ละบุคคลเยะแยะทีนี่ิจารณาที่แล้วเฮาก็ฟังคนอุบายของเพลิน สรงไปแล้วเอานอมนํำมาออามาเพื่อเปิดปฏิบัติในวันนี้บ้างในวันนั้นบ้างในฤไชเล็กฤไน้อยบ้างเออสติปัญญามันก็เกิดขึ้นทุกมือทุกมือความพยันต์มันเพี้ยงก็เกิดขึ้นขอวัดการท้ำ ข, ขอวัดมันก็พยันขึ้นมันเป็นเรงสันเด้เออถ้าความสี่เกียรติสี่ขัน้นขอวัดมันก็ยังสี่เกียรติสี่ข้านอยู่นอนบม่มีบุยหล่เวลาเออตื่นก็ยังบ่อยอยากลุกอยู่นั่นน่ะเออ เป็นจรงว่าให้นนอนแบบราั่งสีพยาหลั่งสีเวลามันนอนขาไปจังไไดมันเบิงสักกอนทนิดทิจนาสะกก้อนผ่าลุกผ่าตื่นขึืนขาบ่อยู่ที่เก่าเหล่าบอลบ่ยอมไ ป, ไปไปหากิ่นล่ะมันเป็นอยงสันส่นสามตามตำหนาน้ามันเป็นตาไหวแต่ละนเนี้ยพยาหลัหล่งสีอันนี้ก็เมือนกันเพอนอนเขาก็พยายามตั้งสติเมื่อตื่นเราก็รีบลุกโอดลุกล่างหน้ า, ล, า, ล, าล่างตามาแบบ เปิดปฏิบัติยางเข้าจอดม้นมองได้เขาบอดได้เข้าพยายามทองทองมาหอดนี่เขาก็ทุบพวนมาแล้วก็ททองก็ไปเพราะว่าเข้าอาศัยโลกเขาอยู่ก็ต้องไปใส่สิ่งเหล่านี้เออเวลามีงานมีีการมีงานเขาก็ต้องได้ใส่พออยู่บวชขมาบวชมา่านไปอายุพรรษามื่ก็แก่ไปพอแก่แต่อายุพรรษาชีวิตของเขาก็หมดไปหมดไปไปเรื่อย ต่อไปเขาก็ได้เป็นคู่เป็นอาจารย์เออเป็นผู้นำมูอีกว่ามันคูบาอาจารย์สิยูน้าเขาโดยตลอดไปเด้เออมันมีการล้มตายนะตายจากกันไปเป็นของธรรมดานั่นนะนั่นนะเอาจิิงแล้วนั่นมาสอนใจเขาความขีเกียรติการก็บวมีระเบัยนข้อขยันก็เกิดขึ้นเอมเป็นสั้นอันเขาบอได้เอามาพินิจพิจารณาเลื้อยอู่ไปเรื่อยเรื่อยเพิ้นไปเรื่อยเรื่อย มันกับปัญญามันกับบ่อเกิดก็ลืมไปเสียมดหมู่มดเว่นไปเออบ่มบ่ตจมือใจเว่นนี่คือปัจโยของเั้ออกกับแก้ไปเรื่อยๆคุณงามความดีกับบ่แก้ขึ้นวันมีใจใจมีใจตาวมองจิดอันไรกับบ่ได้ละวันนึงี่เป็นเังสั้นความปัญญามันก็เพื่อวนี้ก็หาทางและวันอยู่บ่ได้ละวันออกไปข้างนอกกับบ่ขยันคือก้าวอันล่ะันถ้ามันขี้เกียจละเออ ก็มีเกียรติเลยนะมันบ่อผ้าไอ้คนดีดอกเออเสียงสัน่นขาเท้าขยันทุกคนทุกขยันนะนาที่หัวจักนาที่หัวจักการงานองเจ้าล้องมันกัดอยู่ใดล่ะไปอยู่ทางใดก็ได้อยู่ทางสัดีโลกกบอยู่ใดอยู่กับพ่อกับแม่พ่อแม่กับฮักพ่อแม่เนี่มีความพั ก, กมีความเมตตาสงสารลูกมันสี่ส่วเป็นได้ก็สร้างออก็ถือว่าลูกของเกา่า ลูกของโตจากโตคือเอก้าอปณหภูมิเปนอืมแต่ว่าลูกพอแมียสีว่าลูกซั่วกับ่าด้ว่าเจ้าเทียมันสีซัวมันสีไปติดไอยาเอ่อกันซชายาฟินกับ่าดีว่ามันซั่วกั บ, บว่ามันดียน อ, นอยู่ยังมีความเมียสาสงสารมีเลี้ยงสัตว์พอแม่ น, นเออแต่ว่าเฮาเมื่อเราอาศัยเป็นเกิดขึ้นมาแล้วเขาก็เริึกถึงบุญถึงคุณบ้บบาง เทากับบอกประมาทละบันเทากับนี่แต่เลยสร้าง ค, คุณงามความดีละบันเออเฟินออกมาบวชแล้วทั้งสี่เท่ากัตั้งใจพอเพิดปฏิบัติเอ า, เอ า, าห้องชักนาทีต้องจับของการบวชมันมีหนาทีอย่างแน่เท่ากับเบิง้งปีนิดพิจารณาน่าโอ้มันมันนาทีสิไปนั่งคุ้ยกันคุ้ยเพราะเกิดประโยชน์ยังที่จะใจ ใ, ใจเสามองใสคุณมั่วซื่อมันหลงไปทางโลกเออ ดึงไปท้งโลกปานเนวก็มี่จะโลกละบาดี้ำกบ่เกิดขึ้นมันเป็นเรื่องสัง่นอา้าวปาเน้ตั้งใจกำหนดวินิจพิยาต่ลน้าในขณะ น, นี้เราตั้งใจไปนั่งภาวนาให้จิตมันสงบงานภายนอกภายในงานทุกอย่างเราไม่ต้องไปสนใจมันปล่อยวางไว้ก่อนเพราะเวลานี้ขณะ น, นี้เรา จะนั่งภาว น, นาให้จิตมันสงบเพื่อเอาบุญเอากุศลมาใส่ใจของเราเพราะว่าตลอดทั้งวันเรามีการงานทำอยู่ทั้งความคิดทั้งร่างกายทั้งวาจาทั้งใจทำอยู่ตลอดเมื่อถึงเวลา เราจะมัดนั่งให้จิตมันสงบให้จิตมันมีกําลังเมื่อจิตมันสงบจิตก็มีกําลังเมื่อจิตมีกําลังเราก็สามารถแยกแยะความดีความชั่วออกจากใจของเราได้ถ้าความดีเราก็พยายามมิระยะ ขยันมันเพียนเข้าในใกล่ความขี้เกียจที่้านออกให้ความขยันมันเพียนมันเข้าไปแทนเมื่อความขยันมันเพียนมันเข้าไปแทนทำละหุของเราจะเจริญขึ้นใจของเราก็เบิกบานมันเป็นอย่างนั้นการประพฤติปฏิบัติเราจะเดินอยู่ก็ทําได้นั่งก็ทําได้ยืนก็ทําได้ นอนก็ทําได้จนขวมันจะหลับเวลาเรานอนน่นนะพอดีไหวพระเสร็จแล้วก็ น, นอนที้หัวสายญาติแทงข้างขวากํ า, าหนดพุทเข้าเข้าโทออกเหมือนกับเราเนื้อผวนาณายเละจนจิตมันจนขวมันจะหลับเพื่อหลับมันก็ไม่ฝันร้ายพอถึงเวลาก็ตื่นขึ้นเลยไม่ได้นอนแบบซ้ําซากนั่นนะเป็นอย่างนั้นเวลาเราภาวนา ก่อนจะหลับจะนอ น, นเป็นอย่างนั้นหยิบของต่ของเราก็เบิกบานเป็นอย่างนั้นเมื <c> ่อ <oughs> <c oughs> ถึงเวลาเราก็มาตั้งใจเอาเวลาวันหนึ่งวันหนึ่งวี่สี่ชั่วโมงนั่นเราเอาเวลามาภาวนากำหนดชนิดพิจารณาสักชั่วโมงหนึ่งหรือหกสิบนาทีแค่นั้นเออ นอกนั้นเราก็ปล่อยไปตามสัญญาลมไปเสียมันเลยมันเลยไม่เกิดผลเพราะว่ามันมันหากก่างเกินไปที่เราปล่อยทิ้งมันมาก <c oughs> ถ้าเราทามันปล่อยทิ้งให้มันน้อยพยายามกำหนดพิ่นิจพิจนารณาให้มันมากเออใจของเราก็รวมง่ายเออมันเป็นอย่างนั้นการประพูดปฏิบัต ไม่ใช่ว่าเราจะมานั่งอยู่อย่างเดียวยืนหยุดทำได้ทำงานการอืนอ่นๆอยู่ก็ทำได้มันอยู่ที่สติของเราถ้าสติเราพร้อมการปฏิบัติมันก็พร้อมออสำคัญที่สติและการปฏิบัติการภาวนาเยจะขที่ใายสร้างให้ปัญญามันเกิดขึ้นเมื่อปัญญาเกิดขึ้นแล้วเราก็สามารถรู้ทันกลมายาของกิเลส ความเกียดกลันขึ้นมาแล้วก่อนได้ขยันเออมันเป็นอย่างนั้นการประพืชปฏิบัติที่แรกก็ลากภูกไปเทก่อนลงลูกคุกขามไปเป็นของธรรมดาเพราะทางเราไม่เคยเที่ยวไม่เคยเดินเมื่อเราเคยวันนั้นบ้างเคยวันนี้บ้างจิตใจมันก็จะเข้าของมันเองต่างล่องลอยที่เราเคยกําหนดบทรำบทไหนเราก็บท กอากำหนดทหมดนั่นแหละเอามากำกับในใจมันนิ่งในใจมันอยู่เดี๋ยวนี้ใจมันยังไม่อยู่มันยังกวักแปงอยู่มันไม่เป็นหนึ่งมันมีหลายสิ่งหลายอย่างอยู่ในนั่นแต่เราก็ไม่รู้เพราะเราขาดสติเออมันเป็นอย่างนั้นเราไม่ทันกลมายาของเขาถ้าเรามีสติมีปัญญาเออ ทันคลมมายาของเขาความขยันแล้วก็มากขึ้นความขี้เกียจที่ท้านก็ไม่มีเป็นอย่างนั้นการประพฤติธปฏิบัติอย่างพ่าพูดแต่เจ้าก่อนท่านได้ตัดสัู้นั้นท่านก็ขยันนั่งกําหนดพินิจพิจารณาเหมือนกับเรานี่แหละท่านก็เอากว้องศอกจาวานะเครื่องนี่แหละมาประพฤติธปฏิบัติท่านก็ท่าสีด่ดินน้ํามลมไผไปเหมือนกันไม่ได้เอาอันอืน่นเอาสิ่งที่มี ม, ม, มีอยู่นี่แหละมาพินิจพิจารณา ให้เห็นตามสภาวะความเป็นจริงเมื่อมันเห็นตามสภาวะความเป็นจริงแล้วเออใจของเราก็มาไม่ได <c oughs> ้ไปห่วงไปห่วงไปหลงไปงมงาย <c oughs> เป็นอย่างนั้นกาปรปฏิบัติน่อง้ายโยนิโสมนสิกามไปติตองชนิพิจารณาเอออนุโลมปฏิโลม ถอยเข้าถอยออกให้มันเห็นตามสภาวะความเป็นจริงอันว่าไอ้ธาตุความเกิดฉลาความเจอมรณะความตายเนี่ยมันเป็นของหยาบหยาบอันนี้มันเป็นของร่างกายเออเราพิจารณาได้อันนี้มันเป็นของหยาบหยาบอย่างความตายแล้วก็เห็นความเจอ้วก็เห็นแต่แต่วัน แหรือว่ามันจะแบบปกติดแต่แต่เราเราไม่สามารถเห็นได้อันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะสติปัญญาเรายังน้อยส <c oughs> ติปัญญาของเรายังไม่สมบูรณ์เราพยายามพยายามวันนั้น <c oughs> บ้างวันนี้บ้างเออมันจะสมบูรณ์ขึ้นมของมันเองเหมือนกับน้ําเออตุ่มไม่แต่ก่อนไม่มีมีน้ํามันกระโหลกเท่าหยดสองหยดนั่นแหละ ลงไปทุกวันทุกวิทาธีทุกชั่วโมงมันก็เต็มได้สันใดเหมือนกันการประพฤติปฏิบัติก็เหมือนกันที่แรกก็ลงลุกคุกคานเป็นของธรรมดาเอออย่างไรความมานัดความโทมานัดความเศร้าอันนี้มันเป็นของทางใจอันนี้หละให้เอาอันนี้แะมาพินิจพิจารณาแยกแยะเออมากำหนดมาพินิจพิจารณาสิ่งที่เราไม่พอใจ หรือสิ่งที่เราพอใจเราไปหลงและเิงเออทำให้มันเกิดกรรมมาคุณขึ้นอย่างนี้เนี่ยว่าตามมาสุขานิการนุโยกแต่ความรักอันนี้ก็เป็นเหตุทำให้ใจเราเศร้ามองได้อาตายกิลมาทะมักรานโยกอย่างนี้การทรมานร่างกายให้ละหมากเปล่าไม่เกิดประโยชน์อันนี้ก็ทำให้ใจ จิตใจของเราเข้าอมองได้ทําให้ร่างกายเข้าอมองได้อันนี้ไม่ใช่ทางไม่ใช่ทางการประพฤติธปฏิบัติทางที่พระพุทธเจ้าท่านกล่าวไว่าไวมัชฌิมาปฏิปาทาคือทางสายกลางมักมีองค์ป่าแกลมักกมุดไม้ไม่ถึงทางนั่นแหละทางการประพฤติธปฏิบัติทางเดินของปัญญาเออจากนั้นเดินทางเดินของปัญญา <c oughs> ไม่ใช่ทางเดินแบบ จะทางไอะไรแบบทางเราเดินน่ะตะกี้คนละเรื่องอันนั้นเป็นทางของกายเราต้องใชยอันนี้แหละมาพินิจพิจารณาอย่างศีลอย่างเงี้ยแต่เป็นอันนี้มันเป็นของหยาบเออของกายของวายจะจะปฏิบัติให้มันเข้ากาลองของทำอืมแต่ก่อนตายของเราขนองเออคึกคนองวาจาก็คึกคนองแต่บัดนี้เรามีศีล เราก็อาศัยหินนี่แหละมาดัดมาเป็นขอบเป็นเขตเป็นแม่แบบแบบแผนเออแล้วก็เอาอันนี้แหละมาดัดของเราต่างคนต่างดัดต่างคนต่างประพฤติปฏิบัติหินของเราเมื่อจะเกิดขึ้นที่แรกเราก็รักษาหินนั่นแหละเมื่อเรารักษาไปเรักษาไปอยู่ไปนานๆหินมันก็รักษาเราเออล่างกายก็ผุดพองเจีมไสสบายจาจก็มีเกล็ด ความอ่อนนอ้อมอ่อนหวานนั่นเป็นอย่างนั้นเมื่อเราเ อ, อรักษาชิ้นได้แล้วชิ้นก็รักษาเราเราจะอยู่ที่ไหนก็มีแต่ความสุขมีแต่ความสบายเมื่อเราจะมานั่งมานั่งสมาธิอย่างนี้จิตมันก็รวมง่ายเพราะวาฐานของเรามันดีเมื่อฐานเราดมันดีแล้วกา ร, ป, รปฏิบัติการนั่งก็จิตก็รวมง่ายเออสมาธิก็เกิดขึ้นง่ายนั่นเป็นอย่างนั้น ที่มันมันยังไม่เป็นนั้นน่ะพราะมยังกวักแปลงอยู่มันยังลังเลสงสัยอยู่สงสัยในสินของตัวบ้างสงสัยในการประพฤติปฏิบัติบ้างนั่นเป็นอย่างนั้นเราอย่าไปสงสยัยเออเราก็เห็นอยู่แล้วการประพฤติปฏิบัติจากครูบาอาจารย์ที่เราเคยได้กราบได้ไหว้ที่เราเคยได้เห็นอยู่ปัจจุบันนี้ท่านก็ประพฤปฏิบัติต <c oughs> <c oughs> ะเกียกตะกายเออ ทำมาเหมือนกับพวกเรานี่แหละแต่นี้เรามามานั่งรวมกันเพื่อความสามาัคคีเพื่อให้เป็นสิริมงคลเจรใจของเราเราก็ับมารวมกันเมื่อถึงเวลาแล้วเอออันนี้เป็นการเราเคยประพฤติปฏิบัติมาตั้งแต่นู้นตั้งแต่จบหลวงปู่มานั่นน่ะมาถึงจบของาอาจารย์ของเราเรากลมาประพติปฏิบัติเจริยูบุอาจารย์ทำไม่ได้อะไรหรอกเอมีแต่เาราเราได้ ให้เราน้อมพินิจพิจารณาดูทิศตั้งแต่เราประพฤติปฏิบัติมาเราได้อะไรเราเสียอะไรบ้างเราก็พยายามถ้าสมมติว่าเรามันขี้เกียจเราก็ขยันเข้านั่นมันก็ความขายันมันก็เพิ่มขึ้นนั้นเป็นอย่างนั้นเมื่อความขายันเพิ่มขึ้นปัญญามันก็แตกฐานความเสียแล้วฉลาดก็ทันกลุบายของมายาของกิเลสได้อันนี้มันเป็นอย่างนั้นการประพฤติปฏิบัติ ให้เราน้อมพินิจพิจารณาแต่แยกแยะส่วนไหนของร่างกายแล้วก็แยกแยะส่วนนั้นละ่ะให้มันเกิดนิิฉาความเบื่อล่มให้มันเสมอกันซะกันเนี่ยไปคุ้มมันแห้งปล่อยว่างตามสบายถ้าไปคุ้มมันดิน่ง หายใจเข่าเบิงให้มันหุจักวาสันสมควรนบร่มันพอดีบ่แต่งให้พอดีหายใจลึกเข้าไปมันกับพพอดีมันเกินไปย่ามที่แรกกับหายใจธรรมดาซะก่อนแต่งให้มันหุจัก ้มันอยู่ที่ความสบายขอ้งเท่าไห่ละ <c oughs> เมื่อมันหูวแล้วว่าตรงนี้แหละพ่อผูกกับถ้าจะใสของเจะของแล้วแตจึงกําหนดบทถ้ำบทใดบทหนึง่งมากํากับหายใจมันหนีหายใจมันสงบเพราะใจมันบา น, นิ่งใจมันไม่สงบ มันเลยว่ามีกำลังนั่งกับว่าใดนานจิตว่สงบจิตปุ่งสานเป็นจึงววาให้มีทําบทใดบทหนึ่งมากำกับจิตของเขา้าจิตเป็นววามเป็นสิ่งหลึกจิตปุงแตงาอาย่ว่าเศร้าดีมันก็เอาสัวมันก็เอาเออสันดี กะหลงแล้วเลิ่งเสียผ่านบ่ดีจใจกะห้อเหี้ยวใจคุณมั่วเกิดโทษสะเกิดมั่วหาึ้นทำให้ใจคุณมั่วเศรอมองนั่นละทำมันอยู่หันมาในเฮ้าสีแย่แย่ให้มันสงบมันจึงจะโู้ได้ว่าอันไหนมันดีอันไหนมันบด่ดีเออ เมื่อสิ่งมันดีเกิดขึ้นเล่ากัตติประโยคพยายามวิริยะขยันมันเพี้ยนให้มันคืบหน้าเข้าไปถ้าอันไหนมันบด่ดีมันเกิดพื้นเลากัติแยกแยะสำาักประหัป่าหานให้มันออกไปละทิ้งนั่นล ะ, ละปล่อยว่างตามสภาวะความเป็นจริงกำหนดดูเบิง เออเอาใจตัว น, นั่นน่ะเอาปัญญานี่ยเบิ้งว่าจะให้มืนตาเบิ้งไม่ลืมตาเบิ้งอื้กับมืนตาเบิ้งมันก็เห็นแค่แค่ตาเนื้อในแคบีใสแค่นั่นตาตายไพ่ในบอเห็นมันก็บ่เกิดปัญญาบ่าเกิดเมื่อสิ้นแล่นั่นเกิดขึ้นเท่ากับ่ท่านมันเพราะหนังเพราะขาดการพินิจพิจารณาขาดการแยกแยะทีไ ข, ขย มันก็เลยบ่ท่านคนอุบายของเขาคนอุบายของผู้ใดกับคนของอุบายของกิเลสนั่นละมันหลอกมันหลอกเขาเข้าอยู่นี่เออหลอกมือนั่นหลอกมือนี่เออเดี๋ยวกว่ายัางบอท่านได้ถึงเวลาเดี๋ยวก่อนนั่นเวลานั่นเวลานี่พัดเพี้ยนอยู่หํนแต่คว่ำตายมันบ่ได้พัดเพี้ยนมีแต่มันเดินไปตามเข้าอยู่ทุกอริยาบถ เออก็มันตายหนิมันนั่มเข้าอยู่อายุไขเข้ากับหมดไปหมดไปเออเดี๋ยวเบิ่งข้างหลังคือย่าวข้างนาเลี้ยสัตว์เดียวน้อยเดียวหนิเมื่อใดมันถีตายไปกับโบโหนั่นสัางเข้าประมาทเข้ากับโบใดยังคุณงามความดีบุญกุศลกับโบใดเลยโบใดสางใช้ใจไว้เออกันเลยโบใดหยัง หาทุนศูนย์ดอกเมื่อมัจจุราชผูก้กวามตายเข้ามาถึงเทากับตกอกต ก, ตกใจล่ะบัดใจกระเศร้ามองใ จ, มใจกับคุณมั่วใจกับพเบิกบานเพราะว่าเข้าบรดีสรัรงสะสมรบล่มไห้แต่ยังเขามีชีวิตมีลม่านอยู่นี่เฉะนั้นชนจังว่าให้ประมาทให้ตั้งใจเมื่อถึงเวลาถึงกำหนดเอาก็ออกมา เพื่อดัดกายดัดไหวจ้าดัดใจของเราห่อนะดัดทุกเมื่อนั่นล่ะเออพอดัดแล้วขันว่างไว้มันก็เราโง่ขันว่านั่นน่ะสอนตัวเนี้ยขันเ้าบ่พยายามดัดกพยายามแปลงมันก็โง่ขันว่างไหวบ่ได้มันโง่มันโคตรขันว่าจิตมันคดอืมขันจิตคดบโคือไม่คดรขันไม่คดเอาเป็นเอาเป็นเป็นเกาะเป็นเกี้ยว ไปเกาะนั่นเกาะนี้เชนนั่นเชนนี่ก็ได้แต่ใจคนขุนโคตแล้วเอาไปเห็นอย่งบ่ได้บ่ได้เกิดประโยชน์จากยางมันเปน็นสั้นมาในห้าสิพยายามดัดให้มัน ซ, ซื้อซื้อจังใดซื้อตามทางสายตรงที่พระพุทธเจ้าคนกล้าไหวน่ะอริยมักมักะคะพื้นทางทางเดินมันมีอย่งแน่คนก็กล้าวไว้เออมีมาแตกย่นย่อลงแล้วหรือยูสาม คือศีลสมาธิปัญญานี่แหละมันอยู่ใส่บานตรศีลแล้วเานาะเขาก็โอบันในโงน้อมเขาม่ามันก็อยู่สี่กวางศอกเจ้าว่านาคือบนี่ว่าต้องไปหาไก่เออหาไก่มันเป็นของไก่อืมเป็นไก่แล้วมันหายากเออมันหาว่เห็นต้องน้อมเขามาที่กวางศอกเจ้าว่านะคือปาริมณฑนนี่แหละมันอยู่นี่ไม่ได้อยู่ที่อื่นบุญกุศลก็อยู่นี่คุณงามความดีก็อยู่นี่นิ แนิ้ผ่านคือความว่างเปล่ากับยู่นี่เดี๋ยวนี้เข้าเห็ุมันบวชในไว่างมันยังมีสิ่งมารุกรุ่งร่างอยู่ที่ใจของเขามาทับผมย้อนเอาเพิกออกบวชใดแต่ยังติดอยู่สมมุติเออคนว่าวีมุตดมันมีอยู่เข้าก็บพสามารถเห็นได้รู้ได้เออเพราะยังพอเข้าติดในสมมุติบ้านี้เขา้าจะมาเพิกมาแยกแยะหอกตอนขี่ไส ให้เห็นตามสภาพว่าความเป็นจริงเออมันจึงเสียจะเห็นได้รู้ได้มันมีเขาก็ตั้งใจอะไรบ้างตั้งใจมาประพฤติปฏิบัติเอากายเขานี่ละมาประปฏิบัติเอาไหว้จ่าของเขานี่ละมาหนอบน้อมพอใจของนี่ละมาระลึกถึงคุณง้ามความดีเออที่เข้าช่ยประพฤติปฏิบัติมาแต่ละเมื่อแต่ละวันเออเมื่อเข้าระลึกถึงคุณง้ามความดีใจของเราก็เบิกบาน ถ้าเขาราลึกถึงความชัวแต่ก็เากอเาข้อเสารองหมอคุณมั่วเป็นสัน้นแต่สิ่งเหล่านั้นบอกสมควรเอามานอ้อมมานึกมันเป็นอดีตไปแล้วเออความชัวก็ดีความความดีก็ตามอันนั้นเป็นอดีตให้เอาปัจจุบันธรรมเวลานี่ขณะนี้ให้มันเห็นให้มันรู้แต่ถาเออตามสภาพวะความเป็นจริงเออเพราะว่าศาสตร์ความเกิดเป็นทุกข์มันเป็นทุกข์จริงไหม เท่าก็น้อมพินิษพิจารณาเออแต่ว่าเห่าเพท่านเห็นเดียวนี่ท่าเห็นแต่ในสําหรับตําราเป็นเสียนไว้ประสาติความเกิดเป็นผู้มันเป็นทุกชาติความเกิดเป็นทุกเนาะเออบันนี่เห่ามากพินิษ์พิจารณากลัวจนมันสีเห็นแยกแยะขี่ใต้ให้มันเห็นตามสภาวะความเป็นจริงเมื่อมันเห็นตามสภาวะความเป็นจริงแล้วเทากับบ่หลงละบันเออเทากับ ซึ่งเรา n ันเกิดขึ้นเพราะก็บสบายอลไรแบบนมันเป็นเรงสัน้นเพราะว่าเข้ามีสติเดี๋ยวนี้เขาพยายามสั่งสติให้มันมากมากสั่งปัญญาให้มันเกิดขึ้นเออปัญญาที่เขาใส่อยู่นี่มันยังบอ่อพ่อยังบอ่อทังพ่อตามกลมายาของกิเลสเออความอยากนี่แหละสําคัญอยากไปนั่นไปนี่เออความขี้เกียจขี้ข้านท่นาทะเลถทรายอยู่นี่เขาพยายามดัดอืม เป็นว่าให้มีความขยันมันเ พ, พียนมีความอดกันอดทนเทากับพยายามพยายามมือ น, นั้นมือนีแน่เออพยายามยุทุกเมื่อเชื้อวันเท่ากับเป็นไปเองยังเข้ามานั่งเสียแต่ก่อนเทากับนั่งบ่ได้เออนัง่งแต่เดียวกระดาษเดี๋ยวก็เ็บนั่นปวดมีเดี๋ยวก็ร้อนลุงเหมือนกับไฟแต่ไม่นั่นเพราะอุปทานความยึดมัน่นของเขาน่นละอันไดก็มีแต่ของกูของกูมดอืมมันก็เลยปล่อยว่างบา่ได้ เนี่ยฉะนั้นการประพืชปฏิบัติภายในปอยให้ว่างให้ว่างทำมันเป็นกลางมันจิงจะเห็นถ้ำรูถ้ำใดเออเนี่ยไปผ่าวงมั่นจิงนั่นมันเป็นปัจจัยเครื่องอาศัยเป็นเครื่องมือสัางคุณง่ามกว่อมดีของเข้าเออจะสังางสร้างคดีโลกก็ตามทร้างคดีถ้ำก็ตามก็ อ, อาศัยเครื่องมือเหล่านี่ละ่ะมาสั่งเอาถ้ำเอาเออ เมื่อเราอาศัยซึ่งเหล่านี้แล้วก็เอาซิ่งเหล่านี้แหละมาสัาง่งสั่งคุณงามความดีก็าตามเออสั่งความชั่วกว็าตามความชั่วเนี่ยบ่ได้ยากดอกมันบ่ได้บอกมันเหตุไปได้เองของมัน ม, นมดเพราะว่ามันใจคล่องเข้านี่มันไหลไปชูสีดำพันว่าเออบา้านในหอบพยายามที่จมันไหลท่วนกระแสเห็นไหมในตำนานธีพุทธเ จ, จ้าก้อนจะตัทสรูนนั่นเนาะพันพันแหล ยซีงถาดท่องเพิ่นเสวยเข่ามาทุกปลายยอดท้องหนั่งสุดซาดาที่ไปบวงสรวงขอลูกขอลูกไ้ายนี่ยนะก็อนเพิ่นเสวยเท็จแล้วก่อนเพิ่นเสวยมันเท็จเป็นคำคำ้ำเขา่าคันว่าเข่ามาทุกปลาติอดหมายถึงเข่าที่หม่มเขานมน้อมแล้วหงุดหงิดน้าน่มโค่นนั่นนะยางของเป็นของอย่างละเอียดเออเมื่อเพิ่นเอาเข่าไปถวายแล้ว ที่ตนพ่อเนะี่ยกระพเาภพุทธเจา้าสิตักสรูลไปเห็นก็เลยเอาไปสองน้อมเขาไปถาวายเมื <c> ่อ <oughs> น้อมเขาไปถาวายแล้วพระพุทธเจ้าก็ราบตั้งท่าเป็นหละเพิ่งก็น้อมมาพีนิพิจารณาแลยเพิ่งกระเทียเป็นคำคั่มได้ซีสิบเก้าคำสามตำห น, นันที่กล้าไว้ว่ามันได้มากเลยที่ ม, วมัวมลลดคือเฮาได้เป็นพิจารณาสกปริเทนั่นเมื่อ น, นได้เป็นพระพุทธเจ้าเลยเพิ่งก็ตัดจึงจัดบท ไอ้เฮามากำหนดสวดพินิษฐิจารณะแต่ว่าเฮ้าสวดกับสวดเป็นภาษาบาลีไอ้ตามไอ้ต้นสบับเดิมไหวแต่ว่าเวลาแฝง ก, กับกำหนดพิจารณะซึ่งเราหนี้ละเออคนว่ได้กินโดยมู ม, ม่ามรับเารับบริโภค้วยมู ม, ม่ามเล่นสรร้วยมูม่ามว่นไหนพินิษฐิจารณาเชิญก่อนเมื่อเคนเห็ุเป็นคำคำได้ที่คิดเก่าคำแล้วเพื่อนกันเสรยเออ าาสามราชารัพย์เปนวัสเอ้ยเอ้ยเซิดแล้วเหมืนกับอาท่องถาดท่องไปเชียงถาษาพระเจ้าเสดส์ น, นางสัตต์สรุปพอพิปฏิปปิบัตได้สัตตสรุอนุตตะสัมมาสัมโพธิยันขอให้ถาได้ยร้อยจนเนื้อน้นน้ำน้ำไหลลงว่าดูทางไตมันก็ร้อยเจิด้นไปเทิ่งเ น, นั่นหละมันเป็นจนริงๆงอัศจรรย์การประัติพิิิบัตก็คือกันต้องฝืนฝืนกนระแสความัวนั่นหละ หมายถึงว่ามันท่วนกระแสเนี่ย น, นะกาปรปฏิบัติมันยากหรือบม่ยากเท่ากับกำหนดพินิจพิจารณาแต่มันง่ายเออมันง่ายก็ได้เป็นพระพุทธเจ้ามดได้สําเร็จไปเป็นว่าได้ฝากยุโลกอันนี้ดอกนั่นเป็นสัน้นมันก็ยากยากก็เพะเป็นอย่างยากก็เป็นนาทีของเฮาสีได้ปฏิบัติบริบทต้องไปตกอ ก, อกตกใจเออพอเฮาได้เกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์แล้ว ในมาประพฤติปฏิบัติกายะสุบัติวาจีสุบัติมโนสมบัติเพียบพร้อมอยู่แล้วเทาก็ตั้งใจประพฤติปฏิบัติเอาสั่งเอาทําเอาเออนั่นแหละมันจึงจะเกิดขึ้นถึงจะทวนกร็แฉก็ตามมันอยากไปมันอยากไปเที่ยวไปเบิงนั่นเบิงนี่เทากับว่าอยากพยายามกัดปดกันไว้ข้างนั่นบ้างข้างนี่บ้างเออมันเดียว หลายที่เขามันงกาดได้เองห้องมันแต่จิ่งแล้วนั้นมันกลุ่มว่ามันก็บ่เกิดประโยชน์กับเฮาแหมแล้วอ่อนน้อมมันพินิจพิจารณาให้มันเห็นตามสภาพวะความเป็นจริงถ้าเฮาหลงอยู่ในจริงแล้วนั้นบ้านี่มันเกิดประโยชน์ไหมอาก็น้อมเอามาสอนใจของเฮาของแต่ละบุคคลนั่นแหะนั่นแหะก่อนพระพุทธเจ้าจะเป็นสิตัศลูเป็นเอาถาดท้องไปเสี่ยงองค์ก่อนมันก็ท่วนกระแสน่ะถาดท่อร้อยขึ้นไปตามต้นหน้าถึงก้าวัย นั่นแหละอันนี้เข้าการปฏิบัติมันกระท้วนกระแท้ใจของเข้าสกปรกมันมัดอยู่สบายกินสบายนอนสบายนั่นแหละเรื่องของกิเลสเออมันนั่งอยู่ใสมันก็อยากสบายนอนสบายแต่เช็ดยังมันก็เช็ดตามอาเภอใจของมันนั่นแหะเรื่องคณมายากของกิเลสเออแต่ว่าเข้าบวชหูเพราะว่าเข้าบวชมีสติบวมีเบรกหามล้อมันนี่เข้าระยะเมื่อนั่นเมื่อนี้แน่ มันก็มีเบครามลอ่อมีสติปัญญาขึ้นมือเล็กมือน้อยพอโลพอลูกคนอุบายของเขาแล้วก็ฮักามได้แล้วก็พย า, ายามกระเจียกระกายระบันตั้งข้นตั้งประพปฏิบัติสิ่งที่บ่หู้เขาก็หู้ระบันสิ่งที่บ่เห็นเขาก็เห็นเป็นว่าสมาธิความตั้งใจมันแต่ก่อนเขาก็บ่หู้เขาก็บ่จัดเห็นแต่นในตันรับตำล่าอ่านแต่ได้กับมันกับยุหันละ แต่ว่าเวลาเขามานั่งประกอบปฏิบัติทนทุกทรมานมีอิริยะความเพียบอันติความอดกันมีสติความระลึกได้ยุทุกอิริยาบถแล้วบารมีซึ่งเ่านั้นคือเกิดขึ้นเป็นได้มีได้นั่นนะเพราะจึิงเรานี่มันเป็นของมีอยู่แต่มันบ่อยเห็นก็เพราะว่ามันมีสิ่งอื่นมาปกคุ้มเหมืนเรียกว่าอาวิชชาบ้างเรียกว่าโมหะบ้าง ม, มาปกคุ้มมาปิด บ, บังไว้เราเลยบอกโอ้ นี่แหละก่อนบุพเพได้เจ้าพคนสีแต่ตาทะลุคนก็เอาใสันนี่แหละคนเอาไปจจุปนา ร, รมเออคนกำนังกำหนดอยู่ตนตนพ่อผึกงนะไอ้ตีนะนะ่นเขียนไว้นะตำรับตำล่าในตำนานเคนกล้าไหวนมะันกำหนดตั้งแต่ปฐมมายามกำหนดพิจารณาอนุโลมปฏิโลมเออดูร่มอั ส, ส า, าสะปัสสะสะให้มันกลมกลืนกันแต่ก่อนบ่มีค้า่มาพุทธโทอกเออ มันเบิงล่มเข่าล่มออกตัง้งฐานมันให้มันฮู้ให้มันเห็นแต่ก่อนคนบริสสนใจกับทิ้งเ่านี้่คนเห็นแต่นตักกฎหรือว่าพวกศาสตราจารย์ทั้งหลายแต่ก่อนพระพุทธเจ้าคนทีมาตัดสัตว้นั่น่ะเขาบำเพ็ญเพียรมากบางคนกับปย่างขึ้นกองไฟดังไฟไว้เ็ดผ่านแล้วก็ขึ้นปย่างให้กิเลมันเหยียดแห่งมันก็ว่าเป็นไปได้บางคนกับไปนอนเอาน้าไป ว่างไวแ้แหละก็ไปนอนบนน้ำหรือว่านอนในกองไฟกัมีเพื่ออยากให้กิเลสมันหายแต่มันก็บ่หายได้มีแต่มันตายไปซื่ออันเนี้ยนั่ น, นันมันเรียกว่าอทุกขละกิริยาเออหรือว่าอัตกิรมัฐานุโยกเออบําเพ็ญทําให้ตนมันลําบากตายยังกามสุขามมตกานุโยกเอาไปมั่วไม้ในกามมันก็บ่สามารถจิจะมาประพฤติปฏิบัติให้จิต ตวงนีรูดพ น, น, น, นใดนั่นเป็นข้างข้างเบิงเออข้างโค้งว่ามันใจข้างสายตรงมันคือมรรคีองแปดคือสินสมาธิปัญญานี่หละพระพุทธเจ้าเป็นใจขทางเออางมรรคีองแปดคือสินสมาธิปัญญานี่หละท้างตือเออ่มันรัดว่เวิงนั่นน่ะมันเป็นั้นก่อนพระจีดายัสสูน่นเท่กักันทิจารนาอนุโลมปฏิโลมบางข้างมันก็เกิด ความคิดความปรุงความแตง่งเท่านั้นละ่ะคิดถึง พ, พ, พ, พระพระพราชสว่างคิดถึงภรรยาคิดถึงทรัพย์สมบัตินั่นอันที่เป็นเห็ุลูกเป็นสายสังวานเป็นสายไปนั่นน่ะอันนั่นแหะความคิดแต่ว่าเป็นเหตุเป็นหูเป็นยกเป็นปุกคระลาฏิฐานให้เข้าปูปุถุชนค้นเข้าว่าเขาใจให้มันเข่าใจให้มันหู้ ลกลางน้อมเขามาอยู่กวางศอกแง้ว่านะเลละกิดนี่แหละสามารถเพลื่อนขม่านม่่นน้อมมันพินิจพิจารณาจริงเแล้วนั้นเมื่อเราเอามาครอบคล้องแล้วเราจะเอาไปไดบ้บ่อเราก็มสามารถเอาไปได้เพราะว่ามันเป็นสมบัติของโลกตั้งแต่ลึกดําบัรรณไหนแต่ไรม่ า, ม, ามันมีอยู่องคซี่ของมันมันเป็วนว่าเป็นปัจจัยเครื่องอาศัยบัตินี่เพื่นสียเอาเอาริยาทรับทรับอันประเสริฐมา่นเอเพื่อนกลาน้อม กำหนดพินิจพิจารณาบางครั้งทุกขเวทนาตัวเนี่ยมันมากมากแตงแต่ละขัง้งมันบ่คือกันบางบางขั้งเข้าขอทนได้บางขังนง้นเข้าขอทนบ่ไ ด, ด้าะหยัง่งขอขันติความอดทนเขาห้องน้อยความอดกันของเขาน้อยมิริยะเข้าบ่หลายเขาก็พยายามเพี้ยนมือนั่นเพียนมือนี่มันก็สามารถทีเห็นได้รู้ดได้เห็นได้จิตเข้ากัสบสงบทด่มันเป็นเรงสั้นการประฝึิปฏิบัติ มันอยู่ติบสิเหลัอติปัญญาของแต่ละบุคคลแบบแปนแผนทั้งเพิ่นกัชชีบอกเพิ่นเขาบอกว่าบ้างไว้แล้วเป็นทางปุยให้เข้าเดินเดินตามนั่นละกันเขาเดินตามนั่นคือเดินจังไหรก็เดินคือศีลเข้ากับมี่พร้อมนั่นนั้นละรั่วกันขอะเข้ายังเป็นพระภิกษุองศ์ีกัมีดศีลเป็นรั่วกัน กันกายกั้นว่าจาของเฮามวัวให้ไปพึชความคว่มชัวย่างใยๆของพิสูนี่ก็มียูซีถ้าเฮาเอาอันนี้ไว้ได้้ะกัสซิ่งปีกย่อยมันก็มีอีกบันมันเวลาว่าเม า, าดำเพ่นบำเพ่นไปั้งสีซิ่งในน้อยหันละมันสี่ผ้าให้เล่านั่นตาบอดคืออัุลี่หรือผงในน้อยละเมื่อมันเขาตา มันก็สามารถทําให้ตาบอดได้อันไม่คอนยุ่งคอนอย่างมันก็นสามารถสีมาแลนต่ำตาเข้าได้หรอกอันนั้นเขาสามารถระว่างได้อยู่อันนี้ซึ่งเราเนี้่ยเอาน่อมนํามา พ, พิจารณาเมื่อเข้าบําเพ็ญเข้าไปบําเพ็ญเข้าไปคิดเข้าละเอียดเข้าไปคิดเข้าละเอียดต่อไปมันสิไปต้องเวลาเข้าไป <c oughs> กำหนดพิจารณาเข้าไปบ้านนี้เมื่อซึ่งเราเน่ยมันนั่นแหละเขาก่อแสดงไมายถึงว่าจนนํานนย่อมรับ เมื่อเข้ายอมรับแล้วเขาปลอยว่างใดเข้าสิว่เข้าสิซ้ำร่วมระว่างต่อไปมาสินเข้ากับบริสุทธิ์ระบาดฐานมันดีเมื่อฐานมันดีแล้วอ่าสมาธิมันก็สามารถเกิดขึ้นได้เพรานว่าศินอบรมสมาธิสมาธิอุปลมปัญญามันก็เกิดขึ้นได้เพรานั้นกาวไหวทั้งสี่บานนี้มันจร่งเหล่านี้มันยุ่ใสมันก็ยุ่นี่ยุ่น้าเข้านี่ละ่ะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เลี้ยล่านี่เข้าบริดุทระลึก เอาปรเด็นอมมาหน่ำพินิจพิจารณาเลยโบหูว่าเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้มันมีอยู่เท่ากับโบหูเพราะเข้าหลงเขาลืมจิตเขายั่งปูงซ่านอยู่มาในเขาจิตตล่อมเขาม่าตล่อมเขาม่าให้มันให้มันหน่อยเขาม่าให้มันหน่อยเข้ม่าเคยจังคนวานเหนหเนี่ยเออเขาวานเหแหเวียงไปตะกอนกับปักใจเออมาในก็ดึงเขามาดึงเข้าม่ามันก็หน่อยเขามาหน่อยขมาาบวนเขาม่า แต่เลีวว้บุบลลายเบลาเข้าสิตไปเอาเนี่เบิงมันก็ยังไงเป็นต์ยานนั่นทั้งที่อันนี้ก็คือ ก, การการกําหนดตอนฟินิชพิจารณาก็คือกันพยายามกำหนดเขาว่ามันน้อยให้มันนิ่งเมื่อจิตมันนิ่งความดีเกิดขึ้นก็บหูความชัววมช่วเกิดขึ้นกับหูสั่ความชั่วเกิดขึ้นเท่ากับพยายามละเสียว่าไปประพฤติปฏิบัติตามมั่นนั่นน่ะความดีมันก็เกิดขึ้นมาเนี่ยพยายาม รีเร่งเขาบ๊ประมาทเมื่อเข้าบ๊ประมาทความดีเขาก็มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นระบัดเออเมื่อความดีมากขึ้นความชัวบ่มีนั่นเอเขาสังเกตเบิ่งเขาน่ะนะการประพฤติปฏิบัติแต่ก่อนเข้าบ๊บไหนออกมาประพฤติปฏิบัติหรือเข้าบ๊อบเร้วยนัางสมาธิกิริยาท่าทางไม่สิแปลกเฮ้ยเขาต้องเกียรเท่าเองการประพฤติปฏิบัติน การนั่งสมาธิการสั่งคุณง้มความดีการภาวนาเนี่เขาเบเเิ่งสังเกตเจ้าของเออตั้งต้นตั้งเคงเกตบดูกิริยาท่าทางติดพิษพิษกันไปเรื่อยเออเอ อ, เ อ, อการพูดการจาก็ตามการเดินการยางก็ตามเออมันสิดพิษไปเรื่อยเรื่อยแหละเออนั่นแหละถ้ามันเกิดขึ้นความดีเกิดขึ้นแต่ขันเข้าบ่าอามาพินิจพิจารณาเขาก็บอหู ภาว่าเตนตังเมือได้กับพระเจบอดได้มันก็ได้สามเหตุย่่าสั่งมลระเสนอเหตุบ่อนานเหตุประเดียวประเด้ามันก็ได้แค่ปะเดียวประเดาวมันได้ประเดียวประเดาวมันก็ลดรุดล้นหายไปนั่นมันเป็นตังสั้นเพราะมันยังบอลเที่ยงมันมันบ่อนันได้เป็นสมาธิมันบอบได้ตั้งมันมันข้อนแค่งอ่อนแยนอยู่เอากับพยายามตั้งวันนั้นบางตั้งวันนี้บางใช่ การพินิจพิจารณาตึกตองโยมโนโยนิโสมนาสีการใข้ข้วนพินิจพิจารณาใส่สติปัญญาของแต่ละบุคคลนั่นแหละไข้ข้วนพิจารณาตามสติปัญญาของเฮ้ามันจะมีน่อยมีมากมันก็เป็นของเฮ้าอันนั้นนะเออเป็นของเพิินเพลินมันหลายก็เป็นของเพลินเอออันนั้นถึงว่าทำมีอยู่เฮ้ากวามสามารถแต่เห็นได้รู้ได้เออเพราะ ใจของเรายังบวชตั้งมันเทียงมันมันยังหลงละเลิ่อยู่ตามสัญญาอารมณ์ตามคนอุบายของกิเลสอยู่เออถึงว่าทํามีอยูอ่หอกโบหูเขาไปหูแต่คนของเขาคนมายากิเลสของเขานั่นในละการประพฤปฏิบัติเข้ามีแบบมีแผนมีคู่มีอาจารย์มีพระพุทธเจ้าเดินทางไปก่อนให้เขาระลึกนึกบึงดูเวลาเขาตัดทางเนี่ย ผู้เบิกทางที่แรกมันจะยากจำไดเออผู้เดินทางก่อนมันมันเป็นอย่างไดนัน่นละการบพกคนปฏิบัตินันยากหรือไ่ยากก็เป็นหน้าที่ของเฮาแต่ว่าเฮาดีนี่แบบแผนแผ่นผังพอได้เดินพอได้อาศัยเป็นหลักจับยึดนั่นนะเออขอให้หลักจับยึดสิ่งมันดีได้ใจเฮาๆก็สงบใจเฮาๆก็บเบิกบานง่าย เออนั่นการธประพปฏิบัติมันได้ทุกมือนะะั่นแหะอยู่ที่กําลังเอออยู่ที่กำลั ง, ลงหรืออยู่ที่เหตุอยู่ที่ความเพียรของเฮ้ากานเฮ้ามีความอดทนน้อยมันก็ได้น้อยได้แต่ ม, มือไดก็ไม่แค่แค่นั่นแหละเออกานเฮ้าว่ามีความอดกันอดทนเออมันเป็นสนั่นการประปฏิบัติให้ต่างคนต่างกําหนดดูใจของเจ้าของนะะั่นแหะมันไปติดอยู่ในสมบัติหรือไปติดอยู่ใน อารมณ์จริงใดเขาก็เอาอารมณ์จริงนั้นแหะมาแยกแยะแก้แก้แกออกจากใจของเฮาพอคำว่าใจมันอยู่ใสเขาก็เบิ้งตัว น, นั่นละ่ะเออความคิดความพินิษพิจารณาอยู่ที่ใจหเหรอให้แยกแยกขี้ค่ายออกให้มันเห็นเออมันจึงจะเกิดขึ้นได้เมื่อเฮาแยกแยะขี้ค่ายพิจารณามันเนื่อยเขาก็โวขม่าพักให้มันได้กาลังสะกอนเอาจึงออกมาก้า กำหนดพิษ์พิจารณาอีกมันจึงสิสเกิดกํลังนั่นนะ่ะการประพฤติปฏิบัติเห็นพลนนังได้เออมันเป็นพลนนังดได้ในนันเพราะนมีสติปัญญามีคนอุบายท่านของคนอุบายของกิเลสนั่นมันเป็นอย่างสัน้นเออโมเมนต์พลังประเดียวประดาวให้ได้โลดมันก็ยากทุกคนนั่นแหละการประพฤติปฏิบัติเพราะว่าตางข้นต่างเกิดมาเป็นปูดุชน เออต้นน้าโดยกิเลสเดียกันทุกต้นเออพอพื้นเพของแต่ละบุคคลก็บอคือกันบุญวัสนาก็บอกคือกันเข้าบ่หูจักว่าเข้าเคยสัง่งสมบรมมากดีมากน้อยแต่ว่าดีเข้ามีแบบแทนเถินทางมีผู้มีอาจารย์มีพระพุทธเจา้าเป็นผู้พาดําเนินนะทางเดินทางมาก่อนบาดในเข้ากันเบิ้งไปตามนั่นแต่ว่าเข้ากับบ่หูว่ามีจริงหรือบ่มีจริงว่าพ ร, ระพุทธเจ้านั่นอ่ะ พอเข้ากับมู้แล้วว่าพุทธะคือผู้ลูกธรรมะคือสภาพที่ส่งไหวสังฆาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีอยู่เข้ากับเดินตามนั่นละ่ะเออพอเพิ่ปฏิบัติไปตามนั่นแล้วก็คุณงม้มความดีมันก็จะเกิดขึ้นความส ง, งบมันก็จะเกิดขึ้นแต่ก่อนเข้ามีใจมีชะกน้องคึกชะนองไปตาม อ, อลูกตามเสียงตามกินตามรถตามผลพภะเออนี่ละ่ะ เป็นสิ่งที่ปะหารใจของมนุษย์ใจของผู้ที่จะตั้งใจประพฤติปฏิบัติถ้าเฮาตั้งใจประพฤติปฏิบัติซึ่งเรานี่ยก็ไ่สามารถมาลบ ก, กวนใจเฮาได้เออตามาคุ้นหาเนี่ยสันไปเห็นรูปสวยๆมันก็สอบเจ้าเออนนาหนำเป็นน้งสันเสียงไพเราะมันก็ไปสอบเจ้ามันบ่ น, น้อมบ่อน้อมมา ล, ลึก อยู่ในไตหลักคืออนิจจังทุกขังอนัตตาซึ่งเหล่านี่มันเกิดได้ดับได้มันบ่อยจีรังยั่งยื่นเออนั่นอะ่ะในพระ น, น, น้อมพินิจพิจารณาเบิ้งสิ่งเหล่านี้เห็นไหมพรอพุทธเจ้าก่อนพัน ต, าตาัดสัตว์พันก็กัมโนพินิจพิจารณาพันนัง่ง <c oughs> พันนั่งอยู่ไตตนพ่อสามตำแนหน่งอันโสติผ้ามเพันเอาอยาค่า เกี้ยวไปเกียวอย่างข้ามาเห็นพระพุทธเจ้านั่งอยู่นึ่งยุธานามตอนนี้ก็เลยน้อมเอาอย่างข้ามาถวายมาให้เพื่อ็เกษตเป็นเป็นกำกำแต่กํามวนมากเป็นบรรลั่งนั่งเป็นบ่เด่นั่งยืนซาราคือเข้านี่เด้อันนี้ว่เข้ามันสบายเกินไปเออเข้าเห็ดแบบสบายเกินไปมันก็เลยบอกถาำบอกเกิดพระพุทธเจ้าจิดเบ่งดูคนนั่งอยู่นั่น่ะว้จากยุ่งไว้จากหมดบวจากหงังแล้วสีมาใต่มาตอมมันกลับเป็นเดือนหกพอดีนั่นน่ะ ก่อนพลดีซัดทะลุนั่นนั่นให้น้อมพินิจพิจารณาเวลาจิ่งแล้วนั้นเรื่อยุ่งมันกัดเอาสิฮาเอาปพุจจเจ้าเราเป็นตัวอย่างดัดใจดัดว่าดัดตายดัดว่าจาของเขาสอนใจของเขาสอนสายของเขาเมื่อกสิสามารถมีวิริยะมีอุตสาหามีความภากเที่ยนเป็นไปเรื่อยๆนั่นเป็นทั้งสันเวลาความอดกันของเข้าความขันติของเขามันน้อยเอาเอานี่แหละมาสอนใจเข้าต่างก้นต่างสอนสอน ให้สอนเจ้าของเองเอออันนี้เป็นอุบายว่าหอยฟังก็คือได้เอออันเขาสอนใจเข้าได้แล้วเออเขาสนะตนได้แล้วเข้ากาสนะผู้อื่นได้ละบาทอ่านเข้าบอสนาตนเข้าได้เข้ากับศาสนาผู้อื่นได้มันเป็นเังสัน้นเออการประพฤติปฏิบัติให้เขากำหนดพินิจพิจารณาเออคนเว่าว่าปฐมายามพระพุทธเจ้าคนเกิด บุเพนุวาสินุสติสติญานคือลุกระลดเกิดศาสตร์กรต่างกรของคนศาสตร์กรต่างกรคนเกิดจังไรจังไรจังไรคนหัวจักเมดอันนั้นเป็นบุญญาสิสมพานที่เคยสั่งสมอบรมมากเท่ากับ่เอาไปนั่นดอกเท้าอบแค่จิตของเท้าสงบก็ไ like ด้ก็เอาแค่นั้นการประพปฏิบัติขอให้ใจของเท้าเบิกบานกายของเท้าได้รับความสุขเอาแค่นี้ใจของเท้าได้ รุปผลจากบ่วงคือของกิเลสจะเป็นขันธม่านก็ตามเออกิเลสมานก็ตามเออเออขันธมานคือร่างกายสั้งสามนี่แหละมันเจ็บปวดปวดอดอดแอดแอดนะเป็นเรื่องของเขาก็จะเกิดขึ้น ม, มากก็ตามเม่เกิดขึ้น ม, มากก็ตามเขามีอยู่อย่างตี่เออที่เข้ามีโลกมีให้ประจํานั่นก็เพราะบุญกรรมวาจนะบารามีบุพเพกตาบุญยะตาเข้าเกิดสังสมุรล่มมาซ้านี่ พอคยตั้งกรรมไปปลดปล่อสัตว์ก่อนเข้ากับพยายามหลับไปซะแล้วก็แล้วเออถ้าเข้าพยายามบำเพ็ญเทียนประพฤติปฏิบัติกรรมเรานั่นมันก็เป็นอโหสิกรรมใดนั่นเป็นเรงสั้นกาเข้าตั้งใจประพฤติปฏิบัติสัางคุณงามความดีรักษาศีลให้ท่านเออประพฤติปฏิบัตินั่งกำหนดจิตพินิจพิจารณาจริงเหล่านั้นมันก็หายได้ น, นั่นเป็นเรงสั่นการประพฤติปฏิบัติ เออการเข้าตาั้งใจนั่นล่ะไนย่ำน่นไหนยา ม, ยยามกลางแล้วจิตุปัตยานรู้จักปิติของสัตว์ทั้งหลายนีย่ที่พระพุทธเจ้าเป็นได้เป็นหู้นั่นนะเป็นกําหนดพิจารณาดูสัตว์ทั้งหลายในการเกิดเวี้ยนไหวตายเกิดเป็นมีความสงสารมีความเมตตานั่นเป็นสัตว์เออสัตว์เหล่านั้นเมื่อ